<c oughs> นั่งภาวนานานๆแล้วมันปวดทุกคนต้องเจอแหละนั่งภาวนานครึ่งชั่วโมงขึ้นไปจะเจอแล้วเมื่อกี้เรานั่งทลายชั่วโมงกว่าเจอปวดจะเจอปวดพคนไปก็ไปเจอตรงนี้แล้วก็หยุด ไปเจอตรงนี้แล้วก็หยุดนั่งไปนั่งไปไปเจอตรงนี้แล้วก็หยุดก็อยู่แค่นั้นแหละขยับให้ดีมากว่านี้ก็ไม่ได้ทำไมเราจะพันด่านตรงนี้ไปได้ใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองพิจารณาตามหลัก ปวดก็มาดูความปวดนี่แหละมันปวดก็มาดูความปวดโดยที่เราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกไม่ยอมหยุดไม่ยอมเปลี่ยนในกรณีหนึ่งสมมติภาวนาและจิตไม่อยู่ภาวนาและจิตไม่อยู่ภาวนาและจิต ไ, ไม่สงบ ภาวนาปุ๊บเดี๋ยวรถไปภาวนาเดี๋ยวหลุดไปภาวนาเดี๋ยวหลุดไปคือมันพาออกนอกอารมณ์ที่เราให้มันอยู่พุโทโธพุโทโธพุทโธไม่รู้หายไปไหนกไม่รู้อันนี้คือจิตไม่อยู่กับปัจจุบันจิตไม่อยู่กับปัจจุบันจิตไปอยู่กับสัญญาสัญญาข้างในความนึกคิดการน้องอารมณ์เก่เา น้องอารมณ์เก่าๆคืออารมณ์เก่าๆนา้นแทรกเข้ามาสัญญาณแทรกเข้ามามันก็ดึงจิตเข้าไปสัญญาณแทรกเข้ามามันก็ดึงจิตไปไม่อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจิตมันไม่อยู่จิตมันไม่สงบเพราะมันไม่อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันทันด่วนตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้มันรู้สึกชัดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ ถ้าไม่อยู่กับอันนี้และวคอยดูเดี๋ยวสัญญามันมากระซิบกระซาบแล้วมันดึงไปแล้วสัญญาเรื่องมู้นเรื่องนี้เรื่องที่มันเด่นในหัวใจแล้วแหละมันมา ก, กระสิบกระซาบแล้วมันดึงไปแล้วอทําไมมันถึงไม่สงบให้รู้จักตรงนี้ด้วยคือแทนที่เราจะอยู่ทาําความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันก็ไม่อยู่ มันรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันมันรู้รสึกยังไงหายใจเข้าแล้ก็พูดหายใจออกแล้วก็โทรเทความรู้สึกมันชัดชชัดชชัดชั ด, ช ด, ชดพูดโทรพูดโทรถ้าเราทำได้ต่อเนื่องอย่างนี้ให้มันสัมพันธ์นกันกับทั้งกายกับทั้งจิตคือตั้งกับทั้งรูปกับทั้งนามเนี่ยมันก็พร้อมที่จะดึงมายังกับปัจจุบันได้ เมื่อดึงไม่ถูกเมื่อดึงไมอถูกกับปัจจุบันสัญญาที่มันจะมาคอยแทรกมันก็มาไม่ได้เพราะเราดึงสติตัวเจตจำนองตัวสติตัวเด่นตัวชัดเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันกับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันตั้งใจบริกรรมบริกรรมที่ใจนั่ใจบริกรรมพุทโธพุทธธอพุทธธอทำ ให้จับอยู่อย่นี้อย่างต่อเนื่องข้อสําคัญข้อสําคัญหยับลอยให้สัญญาอารมณ์มันมาแทรกพยายามดึงจิตให้มันอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเตียบเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้หายใจเข้าค่อยรู้พูดเข้าไปหายใจออกค่อยรู้โทเข้าไปพูดโทพุดโทเอาใจจามองจับ อยู่ตรงนี้มัดอยู่ตรงนี้ทำความรู้สึกให้เด่ในให้ชัดอยู่ตรงนี้อืไม่ปล่อยให้สัญญามันมาแทรกสัญญาก็คือความรู้ของจิตชนิดหนึ่งสัญญาคือความรู้ของจิตชนิดหนึ่งมันมีรูปมีเสียงมีกลิ่น ม, มีอะไรก็ตามที่มันลวงไปแล้วมันมาติดค้างอยู่ในจิตของเราเรื่องนั้น ตกค้างเรื่องนี้ตกค้างเขาของเรื่องเรื่องเก่าๆมันตั้งขึ้นมาบางทีเรื่องเก่าไม่ตั้งขึ้นมาด้วยเหตุที่เราไม่อยู่ปัจจุบันมันพร้อมที่จะคิดปรุงเรื่องใหม่ขึ้นมาจิตมันปรุงเรื่องใหม่ขึ้นมาแทนที่มันจะปรุงอยู่ปรุงอยู่กับปัจจุบันที่ราให้มันอยู่เราก็ไม่ปรุง ừ. ในเมื่อเราไม่ <S <S ไม่ให้สัญญา <S <S มันแทรกเข้ามามันก็จะเริ่มสงบมันก็จะเริ่มอยู่กับปัจจุบัน เราจับให้มันอยู่เข้าไปานาทีสิบนาทีพยายามสำรวจตรวจตรากําหนดจดจอสติสัมชัญญั ก, กํากับให้มันแจงแจ่มแจ้ ง, จ ง, จงชัดเจนรู้โรูอยู่ในหัวใจของตัวเองพยายาม ส, สามร้างสร้างบรยากาศนี้อย่าไปนั่งทนเฉยเฉยไม่นึกไม่คิดไม่พิจรารัยให้เกิดความรู้ให้เกิดให้รู้เหตุรู้ปัจจัยก็มันยัมอกี้นี่แหละเนี่ย มันมีเหตุอืจิตมันไม่สงบมันก็มีเหตุของมันอยู่เราก็พยายามหาเหตุถึงมันอยากได้เครื่องมันคลางมาเมื่อกี้นี่แะมันก็มีเหตุของมันอยู่เราก็หาเหตุหาเหตุเพื่อที่จะระงับเหตุเหตุที่ไม่ดีเราต้องระงับไว้เหตุที่พาจิตเราออกนอกลูกนอกทางเราก็ต้องพยายามหาเหตุเพื่อที่จะระงับไให้มันออกไป อ๋อตัวนี้เองเป็นหน้าตาของสัญญาอ๋ออย่างนี้เองเป็นหน้าตาของสัญญาเรื่องที่มันผ่านไปแล้วความจํารูปที่เราเคยจําเสียงที่เราเคยจําเรื่องที่เราเคยปรากฏ ท, ทีจิตของเรามันแอบมาดึงจิตเราไปใช้งานที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือผลผลคือเครื่องมือของกิเลนแหละมันแทรกมาสวมรอยกิเลสมันหายช่องที่จะแทรกเข้ามา ในขณะที่เรานั่งภาวนาเครื่องมือของกิเลส ท, ที่มันคอยแทรกเข้ามาให้จิตของเราไม่อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยอย่าลืมสัญญาตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของกิเลสแหละสัญญาคืออะไรสัญญาก็คือความรู้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับจิตที่เขาเรียกว่าสัญญาขันสัญญาขันมันเป็นอาการอย่างหนึ่งของจิตที่มันนึกโน้นาวน้มเอา อารมณ์เห็นล่งไปแล้วเนี่ยมาปรุงใหม่มาอุ่นใหม่เรามาคิดใหม่มาเติมสีเติมสันอะไรขึ้นมาใหม่มากออควจิตของตัวเองนี่จะเรียกว่าสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้อจําจได้หมายรู้แต่ตัวหมายรู้นี่แหละตัวนี้แหละเป็นตัวที่ร้ากายตัวจําได้เป็นเหตุอันหนึ่ง เมื่อจําได้แล้วก็จิดไปหมายรู้หมายรู้คําว่าหมายหมายก็คือการคาดการเดาการหมายคาดว่ายังจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าจะเป็นอย่างนี้พอเราคาดยังไงมโนภาพก็ขึ้นเราคาดยังไงมโนภาพก็ขึ้นมั น, เ ป, นเป็นเครื่องอย่างหนึ่งตรงจิตของเราทําให้เกิดมโนภาพคือภาพปรากฏทางจิต เพราะฉะนั้นเราปล่อยให้อารมณ์ตรงนี้เข้ามาแย่จิตของเราเนะี่ยเรานั่งหลับฝันทั้งวันทั้งคืน่ไมั่จำเป็นจะต้องนอนหลับหรอกนั่งหลับฝันด้วยสัญญาอารมณ์หลับฝันทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ได้รู้สึกอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันสิ่งเหานั้นมันถึงเอาไปใช้ได้อารมณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นจิตตัวจิตที่แท้ทจริงจึงไม่สงบมีแต่จิตตัวที่เป็นอาการของจิตมาทํางาน ตัวจิตที่แท้จริงคือผู้รู้ที่ที่แท้จริงไม่ส ง, งบมีแต่ผู้รู้ที่เป็นที่เป็นกิริยาอาการของผู้รู้นะมาทํางานแทนอืมให้เราเข้าใจตรงนี้ด้วยอันนี้คือเปาะหนึ่งอีกเปาะหนึ่งดึงเท่าไหร่มันก็อยู่ไม่นานดึงเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่ดึงเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เดียวก็ไปดึงเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เดียวก็ไป เราก็ปล่อยให้การเวลาที่เรานั่งนางนๆคือความเจ็บความปวดนี่แหละมัดมัดใจเอาความเจ็บความปวดอาเหมือนกับไฟที่มีกําลังมีเปลว อ, อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยแหละเอาตัวเรื่อกมาเผามารมเอาทุกเวทนาที่เราประสบอยู่ในขณะปัจจุบันนี่แหละไม่ยอมพลิกไม่ยอมเปลี่ยนเอาตัวเรื่องมาเผาจิตมาลอมจิตเพราะความเจ็บความปวดมันรุนแรง เมื่อจิตเมื่อจิตรับทราบรับรู้เวททุกขเวทนาที่รุนแรงเนี่ยจิตก็ต้องมาเกาะจิตมันก็มาเกาะที่ใช้มันออกไปมันไม่ออกไปหรอกให้มันออกไปนี่ออกไปนี่เหมือนแต่ก่อนมันไม่ออกไปอมันก็จะเกาะกับความเจ็บความปวดแต่ก็ต้องระวังอีกถ้าระวังถ้าเราระวังไม่ได้ตัวสัญญาอ่า ตัวสัญญาตัวนี้ก็มาแทรกเข้าไปสัญญาว่าตัวเราหัวเข่าเราตีนเรามือเราก็ดูเราเอวเราต่อโภกเราหัวเข่าเราปวดตัวนี้จะคอยมาแทรกกตัวสัญญาตัวนี้มันเป็นตัวสัญญาเป็นฝ่ายเครื่องมือออกกิเลสมันคอยที่จะมาสวม กลสมันจะมาสวมรยายสัญญาี่เลยแต่ถ้าเราเข้าใจเ่ืเราสัญญาสัญญาก็ศึกษาว่าเป็นสัญญาเป็นสัญญาขันเท่านั้นถ้าไม่ปล่อยกิเลสมันแทรกสัญญามันจะมีถูกอยู่ทุกระยะของมันเพราะมันเป็นกิริยาการของขอ ง, ของจิตมันเป็นกิริยาการของจิตมันเป็นอาการของจิต ม, มันเป็นกิริยาของผู้รู้มันเป็นอาการของผู้รู้ มันไม่ใช่ตัวผู้รู้ที่แท้จริงเป็นอาการของมันอยู่เราปล่อยเราปล่อยให้ทุกขเวทนาตัวนี้แหละอาเผาจิตตัวนี้ไม่ให้มันไปให้มันอยู่กับทุกขเวทนานี่แหละพิจารณาสอดส่องเข้าไปที่ทุกขเวทนานพิจารณาสอดส่องเข้าไปที่ทุกขเวทนาย้ำอยู่ตรงนี้มีสติควบกับอยู่ตรงนี้ดูอยู่ตรงนี้ และให้มีความนึกคิดว่านี่แหละสัจธรจะทำอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วสัจย์จะทำคือทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วระวังอย่าให้ความดีใจเกิดขึ้นเยอะให้ความเสียใจเกิดขึ้น <c oughs> ถ้าทุกขเวทนาหนักหนักความดีใจมันจะไม่เกิดขึ้นแหละมันจะมีความเสียใจเกิดขึ้นที่ทฤษฎีว่ายินร้าย คือใจยินดีมันไม่ยินดีดอกมันจะยินร้ายยินร้ายก็คือมันหงุดหงิดมันทําให้ใจหงุดหงิดไม่พอใจอยากให้หายอยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ปวดอยากไม่ให้ปวดหัวเขา่าปวดกระดูกปวดข้อพัวต้องมันก็ตามแต่เวลาเรานั่งมันมันปวดมันมีความอยากตั้หาแทรกเข้ามาแล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากให้มันปวด ที่ไม่อยากให้ปวดถ้าเราระวังไม่ได้กิเลสยิ่งแสรกก็มาง่ายขึ้นเราเอาตัวนี้นมามัดมันมามัดแล้วค่อยดูมันค่อยดูที่ไปที่มาของมันค่อยดูจิตมันดิ้นค่อยดูกิเลสภายในจิตมันดิ้นที่อยู่นั้นแหละท่านให้กำหนดดูที่ความเจ็บความปวดน่ะเอาใจไปอยู่ในตรงที่ปวดปวดนั่นแหละน้อมใจเข้าไปอยู่ในตรงที่ปวดปวดนั่นแหละอืม ถ้าเราจะเทียบกับความปวดเหมือนกองไฟเราก็เข้าไปอยู่ตรงกองไฟนั่นแหละเอาผู้รู้เข้าไปอยู่ตรงกองไฟนั่นแหละให้มันเป็นอันเดียวกันกับกองไฟนั่นแหละให้ใจตวงนี้เนี่ยเป็นอันเดียวกันกับทุกขเวธนาที่กำลังเกิดขึ้นกาลังปรากฏขึ้นเอามันไปอยู่ตรงนั้ น, นจับมันไปอยู่ตรงนั้ น, นลองทำดูถ้าเราทาถ้าเราทาแบบนี้ได้ล้วจับให้มันไปอยู่ตรงนั้นได้ เราจะได้เราจะได้รู้ว่าผู้รู้ที่แท้จริงผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่ได้เจ็บแต่ผู้รู้รู้ว่ามันมีความเจ็บแต่ผู้รู้ไม่ได้เจ็บนักนักเข้าก็ความเจ็บก็แสดว่าความเจ็บไม่มีอะไรเจ็บว่ากายเจ็บก็ไม่ใช่ดูไปที่กายกายก็อยู่อย่างเดิมเหมือนเดิมก็ดูก็อยู่อย่างเดิมเหมือนเดิมเนื้อหนังอะไรข้างหนก็อยู่อย่างเดิมเหมือนเดิม จะว่ากายเจ็บก็ไม่ใช่จะว่าเวทนาเจ็บก็ไม่ใช่จะว่าผุ้รู้เจ็บพิแท้จริงก็ไม่ใช่พยายามทําให้ได้ทุกอย่างนี้พยายามสอดแทรกให้เข้าไปอยู่ได้อย่างนีแต่ต้องพยายามทําสติอย่างต่อเนื่องสตินี้ต้องรับริตั้งยังตั้งสติอย่างต่อเนื่องตั้งตั้งตั้งกำลัดยับยับยับยับตั้ง ท่านให้ดูกายให้ดูกายดูกายก็สัญญาลอะมันเกิดขึ้นมาปรากฏว่าเป็นกายเช่นอย่างหังงวเข่าสัญญาก็ปรากฏว่าเป็นหัวเข่าดูทะลุเข้าไปกเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นหนังเป็นกระดูกตัวนี้ก็ให้เรารู้อีกอันนี้เป็นตัวสัญญาสัญญากายก็ศัพท์ว่ากายค่ะถามว่ากายมันปวดไหมกายมันก็ไม่ได้ว่ามันปวดกายมันไม่ได้รู้สึกอะไร เวทนาเกิดจากกาย<ม>เวทนาเกิดจากกายกายปวดกายก็ไม่รู้เรื่องถามรูว่ากายปวดกายข็ไม่รู้เรื่องถามรูจิตจิตปวดไห ม, มถ้าเป็นตัวผู้รู้ที่แท้จริงจะไม่ปวดแต่ถ้าเป็นผู้รู้ที่ถูกกิเลแสแทรกเข้ามามันก็ปวดนั่นแหละเนี่ยปวดจนยึดจนถือว่าเป็นเราเป็นของเราเราปวดแล้วเราทนไม่ไหวแล้วกระดูกจะหักแล้ว จะแตกจะหักแล้วถ้าเราปล่อยให้กิเลสแทรกเข้ามาถ้าเราปล่อยให้กิรยิาาารา ย, รยาของจิตกิริยาของผู้รู้แทรกเข้ามาเอากิเลสแทรกเข้ามาเอาความอยากแทรกเข้ามาเราพยายามกำหนดดูให้เป็นผู้รู้ในปัจจุบันถ้าผู้รู้ปัจจุบันปรากฏขึ้นผู้รู้ที่เป็นโลกสมุนของกิเลสมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้จิตก็สับ กิจก็สัพตว่าเป็นผู้รู้กิจสัพตว่าเป็นผู้รู้เราทําอย่างนี้แล้วเราจะทราบข้อเท็จจริงว่ากายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาจิตก็เป็นจิตนี่คือเราพิจารณาความเจ็บความปวดนะต้องพิจารณาบ่อยพิจารณาบ่อยครั้งครั้งไหนเราก็ต้องพิจารณ า, าเราไม่เลิกเสียทีเดียวครั้งไหนไหนเกิดเจ็บปวดขึ้นมาเราก็พิจารณาอยู่อย่างนี้แหละ พิจรณาจนจ น, จนทันกิเลสจนสติเรากล้าแล้ก็ทันกิเลสตัวความอยากของกิเลสมันแทรกเข้ามาไม่ได้ถ้ากิเลสมันแทรกเข้ามามันแทรกเข้ามายัางไงมันจะแทรกเข้ามาว่าเราปวดเราปวดเราอยู่ตรงไหนเราพยายามถามหาดูของเราอยู่ตรงไหนอะไรเป็นผู้ว่าเราปวดถามมาดูถามมาดูามมาดย้อยไปดูนี่เราต้องซัก ซักไปสักมาไล่ไปไล่มาต้อนไปต้นมาอันนี้เป็นงานนะฝนฝนสติฝนสอมัญจยฝนจิตของเราฝนปัญญาของเราฝนจนเกิดความรู้ความเห็นเห็นเหตุเห็นปัจจัยที่แจ่มแจ้งที่ชัดเจนนี่เป็นเหตุทําให้เราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจได้ปัญญาขึ้นได้อย่างรวดเร็วพี่เชิาเอาไปกินนะ ถ้าเราพิจารณาการที่เราพิจารณาคือเราจับเหตุของมันน่ะแล้วก็พยายามสาวไปที่ผ ล, ลพยายามจับผลที่ปวดนี่แหละสาวไปที่เหตุจับผลแล้วก็สาไปที่เหตุสาวไปที่เหตุว่าเหตุอะไรที่มันทําให้มันเจ็บมันปวดสาไปสาไปแล้วเราก็จะไ จ, จะไปเจอตัวเจ้าของมันนั่นแหละเจ้าของที่มันหึงหวงมาเป็นกับกับเป็นกันกันนะ่ะคือตัวเจ้าความอยากนั่นแหละ มันอยากยังไงอ่ะมันอยากไม่ปวดอ่าดูไปที่ว่ากายอยากไม่ปวดไหมก็ไม่ใช่ดูลัทธนายาอยากไม่ปวดไหมก็ไม่ใช่ดูที่จิตอยากไม่ปวดไหมแต่ถ้าปล่อยจิตฝักไฟกิเล่มันแทกเข้ามามันก็บอกว่ามันใช่แต่ถ้าเป็นจิตตัวผู้รู้ที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้ผู้รู้ไม่ได้ปวด ผรู้ไม่ได้เป็นเหตุแห่งปวดแต่ด้วยเหตุตัณหาอุปาทานมันแทรกมาที่จิตนั่นแหละออุปาทานฟังแต่ว่าอุปาทานยึดเอาจิตมันยึดเอายึดเอาปวดยึดเอาตัวปวดว่าเป็นตนว่าเป็นของของตนยึดเอาว่ากายว่าเป็นตนของของตนยึดเอาเวทนาว่าเป็นตนเป็นของของตน ยึดเอาจิตที่เข้าไปเกี่ยวท่องข้องว่าเป็นตนเราเป็นของของตนถ้ามันแทรกเข้ามาถ้ากิเลสมันแทรกเข้ามาแล้วตรงนี้แหละมันจะโผล่มาแล้วจะทําให้เกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาทันทีเมื่อเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วก็สู้ไม่ได้แหละโอยโลกสงวนมันเป็นร้อยเป็นพันขึ้นมาช่วยทับถมทันทีแหละรือรื้อ้ฟื้นรือรืรื้อมารื้อหักแน่ๆพังแน่ๆปวดไฟไหม้แน่ๆความเจ็บความปวด ถ้าเราพยายามดูให้ความจริงปรากฏแล้วเราก็จะรู้ความจริงของมันเมื่อรู้ความจริงแล้วเราก็อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ออยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นั่งจนตายหมดครึ่งตัวนี่ก็ได้คือมันไม่รู้สึกจิตก็ทํางานไปตามเครื่องของจิตไปพิจารณาไปตามหลักความเป็นจริงไปท่งผูรู้เอาไว้ท่งสติเอาไว้ทรงสัมผัันยักเข้าไป พิจรารณาสอดไปพิจรารณาสอดมาจนนั้นเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนอยู่โลกตาท่านสอนให้พิพจารณาไปในขณะเดียวกันต้องสองอย่างสามอย่างพิจรารณากายแล้วก็ย้อนไปพิจรารณาที่จิตพิจารณาจิตแล้วก็ย้อนไปพิจารณาที่กายย้อนไปพิจารณาที่เวทนาไล่สามขานี่แหละไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาไม่ให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันแช่อยู่กับที่ ถ้าให้มันแช่อยู่กับที่นี่มันเหมือ น, นจิตของเราีปล่อยช่องเกิดช่องแม้มีว่ตถุที่หรอกย้อนท่องความรู้สึกที่กายย้อนย้อนมาที่กายก็ย้อนไปที่เวทนาแล้วก็ย้อนมาที่จิตลองย้อนดูลองพยายามหัดย้อนดูย้อนจิตนี่แหละกําหนดนี่นแหละใช้กําหนดหรือใช้คำว่าย้อนหรือใช้คําว่าพิจารณาเนี่ยแหละ ย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับมาไม่แช่ไม่แช่อยู่กับข e าเดียวทำความรู้สึกอยู่กับเวทนาแล้วก็ทําความรู้สึกที่กายย้อนไปที่กายแล้วก็ย้อนมาที่จิตย้อนไปที่เวทนาย้อนสับเปลี่ยนกันอย่างนี้แหล ะ, ะสับไปสับมาสับมาสับไปสับอ ย, อย่างนี้แหละสับจนสติของเราเนี่ยรอ ในขณะเดียวกันเราสังเกตดูความอยากไอ้ตัวความอยากที่มันมาคอยกระสิบกระซาบเราเนี่ยมันยังอยู่ข้ามเราไหมมันยังอยู่ไหมหรือมันค่อยค่อยเลือนไปแล้วมันค่อยค่อยจางไปแล้วมันค่อยค่อยหายไปแล้วมันสามารถสังเกตได้ตัวสติตัวสัมผัสชัญยะกรรนดจดจออยู่อีกตัวหนึ่งเหมือนกับเนื้อมือเหมือนกับเนื้อดาบเอาไว้ฟันมันมีอยู่ตัวนี้คือตัวปัญญา มันก็เงื่อนกระหายั่นว่าต้องมุดโผล่มาพวกก็ไปแหละโผล่ก็มาพวกก็ไปแหละอืมจับไปจับมาจับมาจับไปจับไปจับมาจับมาจับไปอยู่อย่างนี้แหละสติของเราก็จะแก่กล้าขึ้นปัญญาพร้อมที่จะเห็นเหตุเห็นปัจจัยพร้อมที่จะเห็นตัวความอยากะเงื้อมือคอยคอยคอยตัวอะไรคอยตัวความอยากมันจะโผล่ก็มา โผล่มาจับจอเพราะอันนี้เป็นของของมั น, นมันจับจอมาเป็นหลายกลับหลายกันแหละพอเวลามาประสบอย่างนี้ปันน๊บเจ้าของมันจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมารับว่าหัวเข่ากเูเวทนากู้กูเจ็บกูปวดคือความอยากแทรกเข้าขมามันอยากเพื่ออะไรอยากเพื่อไม่ปวดมันอยากไม่ปวด นี่ตันหาความหยาดมันแสดงว่าแต่ถ้ามันไม่กล้าโผล่มาสมมว่าเราใช้ปัญญาเนื้อเหมือนกับเนื้อดาบคอยเพราะมันพอพอมันโ่นโพอมั น, ม น, ม น, ม น, มนทำ ท, ท่าจะ ก, กระดกดิกโผล่มาปักเราจับปุ๊บเหมือน<ล><ล>เราฟาดข้าไปเลยจับปุ๊บฟาดข้าไปเลยเนี่ยคือกิริยาต่อสู้อยู่ตรงนี้อ่จนเห็นหน้าเห็นตามัน เห็นน้าเห็นตาตัวเจ้าตันน่ะนี่เลยมันโผล่มาฟาด้าไปมันโผล่มาฟาด้าไปหนักๆเข้ามันก็ดันๆมันโน่นหนักๆเข้ามันก็หายตัวเราไปไปกบดานไปหมอบอยู่ไปกบดานไปหมอบอยู่ไม่กล้าแสดงตัวโผล่ออกมาเพราะอะไรถ้าสติปัญญาของเรากล้ามันไม่กล้าโผล่ออกมากเหมือนกับมันเห็นความวาววับของดาบดาบเราเนี่ยมันเห็นแล้วมันไม่กล้าโผล่มา มัจะโดนฟาดหัวมันก็โผล่มาปั๊บเราฟาดเข้าไปพผลอก็เราฟาดเข้าไปอืแต่กิริยาข้างในนั้นอ er ันนี้เป็นคำพวดเปรียบเทียบกิริยาข้างในนั้นคือเราทําอย่างละเอียดแนบเนียนที่สุดข้างในจีรบังที่สุดเรคือระวังมันสวงลอยมันพร้อมที่จะพลิกเปลี่ยนพลิกหน้าเปลี่ยนหน้าทันทีเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอ่า แต่ละหน้าแต่ละหน้าม้แนแต่จะเป็นกลนเป็นอุบายให้เราหลงคลือนไปตามมันง่ายๆอันนี้คือวิธีต่อสู้กับความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดนี้เป็นสัจจะนะเป็นสัจจธรรมเวลาสัจจธรรมมาปรากฏแล้วเราก็ไม่ยอมดูเราก็ยังเราก็ความอยากมันเราบอกว่าไม่อยากพราะไม่อยากเจออยากผ่านอยากพลิกอยากเปลี่ยนทั้งทั้งที่เราทํางานตามหลังมัน เราทำหลังมันไม่ใช่เรานำหน้ามันนะเราตามหลังมันมันให้มันให้เราทำทำตามมันทุกอย่างเราทำทำตามหลังมันเอาเปลี่ยนเลาคลิกปวดมากแล้วคลิกโอ้ยนานมากแล้วเลิกลุกเดี๋ยวเป็นนู้นเป็นนี่เดี๋ยวเป็นอมาพลิกอมาพาดเนี่ยมันจะกัวสิบก็ะซาบดีตรงนี้ตลอดเพราะฉะนั้นความจริง เลยไม่ปรากฏกับมวุใจของเราสติปัญญาของเราอเราสังเกตได้หมดแลาหละตาไร้จับมันอยู่กับที่ได้เราก็พยายามสังเกตสังเกตต่อเ น, นื่องสังเกตนานจะยาวจะสั้นจะนานขนาดไห น, นเราก็สังเกตไปจนมีผลปรากฏอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นที่พอใจของเราจนเห็นมันดำจนเห็นมันดับ ทันกิริยาที่มันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเราทันปุ๊บดับมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเราทําปุ๊บทันปุ๊บดับถ้าเราเห็นแบบนี้จังๆมันจะทําให้ใจของเราได้กําลังอย่างรวดเร็วได้กําลังอย่างมากอันนี้เป็นการเผชิญกับศัตรูตัวหน้าตาของศัตรูอย่างแท้จริงเห็นหน้าเห็นตาของมันอย่างแท้จริงแต่มันก็เคลือบอยู่กับจิตนั่นแหละมันแอบมากับจิตนั่นแหละ มันเป็นกิริยาการของจิตนั่นแหละอืมจิตที่เป็นกิริยาการของผู้รู้เรารู้ทานได้เรารู้รู้ได้เห็นได้เราทานได้เราเห็นจิตตัวนี้แหละนี่ที่ที่เขาเรียกว่าเห็นจิตเห็นจิตหรือพิจารณาจิตเห็นจิตเห็นจิตแล้วทำยังไงเห็นจิตแล้วก็พิจารณาจิตพิจารณาอย่างไง จิตดีใจท่านใายรู้จิตเสียใจท่นานกายรู้จิตฟุ้งซ่านท่านกายรู้จิตสนดท่านกายรู้ก็พิจารณาตามรู้จิตจิตตัวนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยจะเปลี่ยนเองไปเรื่อยที่ท่ด้หดตามพิจารณาจิตตามพิจารณาความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของมันเอาสติเอาปัญญาที่แนบสนิทอยู่กับผู้รู้ ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเอาตัวนี้แหละมาตามรู้มาตามพิจารณารู้เพราะถ้าเราไม่ตามพิจารณาให้รู้ ต, ตัวลูกสมมุนของกิเลสมันจะแทรกเข้ามาที่จิตแล้วก็จะทํามาสวมลอยทําให้เราหลงเคลิ่มเข้าไปได้อย่างง่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามรู้ตามพิจารณา อ, อย่าไปสร้างลิมิตสร้างอุปมาสร้างอะไรอะไรวางสบายอย่างนั้นยทงนี้เราก็สร้างออกมา ความสว่างก็คืออะไรก็คือนิมิตอั่นแหละเห็นจิตดวงสว่างจ้ารับว่าเข้าไปอแต่ ถ, ถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตมีอานภาพจิตอัศจรรย์เหมือนอย่างจิตพระอาหารหันต์จิตพระพุทธเจ้าจิตพระอาหารหันต์นี่มันก็มีไ ด, ได้เป็นได้เป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่มีอานภาพอื สามารถสว่างจ้าขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นจิตของพวกเราก็คือเป็นรูปปนิมิตที่แสดงตัวในรูปลักษณะของแสงสว่างจ้าจ้าเราดูให้ชัดเจนบางที ต, ตัวสัญญานั้นมันหลอกเราหลอกเราทาให้เราหลงเคลิ้มยึดสำคัญมันหมายว่าเป็นของดีของดีขอ ง, ข อ, งอัศจรรย์ขึ้นมาดูว่าเห็นมันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ มันเปลี mm ่ยนแปลงไปทุกขณะอู said, ้มันเป็นละเอียดเปความที่ละเอียดดูขมา่าไหนตามดูตามที่จดจาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเราไม่ต้องไปกาหนดว่าอันนี้จังไหมเราไม่ต้องไปกาหนดว่าทุกข์ขันไหมเราไม่ต้องไปกาหนดว่าอนัตตาไหมเราก็ดูตามดูอย่างต่อเนื่องจนกว่า กิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามมันปรากฏโผล่ขึ้นมาเองถ้าเป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ชัดเจนชัดเจนคือตัวสัญญามันไม่แท้มันโผล่ขึ้นมามั น, ม, นมันเปิดเผยตัวขึ้นมามันแสดงกิริยาปรากฏขึ้นมาทนนาพยายามตามดูต่อเนื่องทำเป็นวัน ทาเป็นเดือนทาเป็นปีทาเป็นกี่ปีทาเป็นกี่สิบปีแล้วก็ทําอยู่อย่างนี้ตามดูอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องอยู่อย่างนี้นัสติกับปัญญาของเราใช้อยู่อย่างนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้ก็มาจุดจ่ออย่างนี้ลองดิเดินกัทํายืนก็ทํานั่งก็ทํานอนกับทำทําน้นทํานี้ทําอะไรเสร็จจิตนอกก็มาปั๊บก็ทํา นอกเข้ามาปั๊บก็ทำนอกเข้ามาปั๊บก็ทำเราได้เครื่องมอือแล้วตอนนี้เรามีที่รับสติรับปัญญาตรงนี้แหละเ้างมาเข้าใจตรงนี้แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วอืมไอตัวที่มันเคยดึงจิตเราออกนอกรูนอกทางฟุ้งซ่านนำการไปที่โน้นที่นี้เหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันก็ค่อยๆจางไปมันก็ค่อยหมดไปเพราะเราได้ข้อปฏิบัตินะ พอเรามารู้มาเขจเรื่องต่างาหล่านี้ในตัวความหลงตัวมุดตัวดำตัวอะไรที่อยู่ภายในจิตมันก็ตื่นเมื่อตื่นตัวทาให้จิตของเราไปตื่นมันตื่นตืนด้วยสติตื่นด้วยสัมมัชย์นี่คือมันแก่กล้ามันค่อยๆแก่กล้ามันค่อยๆคมขึ้นมันก็แมันค่นอยๆคมเราฝนเอาตรงนี้เป็นตัวฝนฝนฝนไปมันก็คมคมนั่นคมไปเลยคมไปเลยคมจนสามารถตัดขาด ความคมความชัดของมันเนี่ยดูมันเป็นความสว่างความชัดของมันดูมันเป็นความสว่างสว่างสวยัยที่เราที่ว่าจิตผ่องใสจิตสว่างสวยัยนี่เราพูดมาที่เราพูดคามเมื่อกี้เราได้สองเนื่องสามเงื่อนนะเงื่อนแรกก็คือจิตภาวนานแล้วไม่อยู่ชอบไปเรื่อย ภาวนาแลกจิตไม่อยู่ภาวนาอยู่เรื่อยให้อยู่กับพุโทโธก็ไม่อยู่เดี๋ยวไปเรืยเดี๋ยวไปเรื่อยอันนี้หมายความว่าเราไม่อยู่กับผู้รู้ที่เป็นปัจจุบันเรามักจะปล่อยจนผู้รู้ที่เป็นสัญญาเนี่ยมาดึงจิตไปใช้งานไม่ได้อยู่กับปัจจุบันพยายามทำความรู้ให้ชัดเจนกับอยู่ปัจจุบันให้ใจพุทก็ให้ชัดชัดพุท ให้ใจบอกโทโทพุดโทพุดโทให้ชัดเจนอยู่นี้ให like ้มันสัมพัสอยู่กับกายตลอดเพราะกายเป็นของหยาบเป็นคอยเป็นของคอยช่วยกระตุ้นเตือนเราให้เราเรได้รู้สึกตัวขึ้นมาตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาไม่ให้สัญญามาแทรกเข้ามาถ้าปล่อยสัญญาแทรกกรรมมันกรรมมันล่องลอยไปเหมือนกรเรากฝันนั่นแหละ ฟันหมดทั้งวันฟันหมดทั้งคืนก็ได้ถ้าเราล่องลอยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัญญาสงบไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่กับผู้รู้ที่เป็นปัจจุบันสัญญาก็คือสิ่งที่ล่วงไปแล้วคาดข้างหน้ายังไม่มาถึงก็เอาตัวสัญญาคาดแล้วก็ข้างหลังที่ล่วงมาแล้วมันก็สัญญาสัญญามันออกมาสแสดงให้เราเห็นมาเสนอเรา ที่จะคาดเขาไปคาดเขาไปข้างหน้าคือข้างหน้าข้างหลังข้างหลังก็มันข้างหน้าก็มันมันยกเรื่องข้างหลังขึ้นมาแล้วดึงเราไปข้างหน้าดึงไปตรงนั้นตรงนั้นดีตรงนี้จะดีตรงนั้จะดีตรงนี้จะดีแต่ปัจจุบันเราไม่รู้สึกตัวจิตไม่โยกจิตไม่สงบมันดึงไปแล้วมันมันแต่เรามกอจกเปรสรรพัดแหละทำมันดึงออกไปแล้ว ก็สังเกตดูความหลงเราบางทีเราไปลงกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นที่มันดึงไปหลงง่ายๆหลงไปตามมันง่ายอันนี้คือมันไม่อยู่อย่างหนึ่งเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเพราะมันอย่างนี้แล้วเราก็พอจะได้ระวังเมื่อระวังตัวอันนี้อันหนึ่งเงื่อนหนึ่งที่เราผลกินเงื่อนหนึ่งก็คือนั่งนานๆแล้วมันปวดมันปวดแล้วปวดมันปวดเอาตัวปวดมากจิต ถ้าความปวดมันรุนแรงจิตมันมักจะเกาะอยู่กับอารมณ์ที่มรุนแรงที่สุดมันเด่นชัดที่สุดมันปวดมากๆมันเหมือนกับถูกไฟเผาอยู่หมาทั้งตัวเนี่ยมันก็ไม่ไปมันต้องอยู่กับความเก็บความปวดก็พิจารณาอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาดำริให้ทิศทีเข้าย้อนไปที่กายย้อนไปที่เวทนาย้อนไปที่จิต อะไรเป็นกายก็ก็หนดยอ้อนเข้าไปมันจะเกิดรูปนิมิตเป็นกายอะไรคือเวทนาก็ดูไปไอ้ตรงที่มันปวดปด น, น, นั่นแหละนั้นแหละตัวมันแหละอืมอย่าให้เราเข้าไปอยู่ในนั้นอ่าให้เราเป็นผู้ดูมันดูกายแล้วก็ดูเวทนาอย่าให้จิตของเราเป็นตัวเวทนาอย่าให้จิตเราเป็นกายให้จิตให้สติปัญญาคือจิตนี่แหละเป็นผู้เป็นผู้ดู ดูกายดูเวทนาหรือจะเอาผู้รู้ไปอยู่กับไอตัวเจ็บปวดเจ็ บ, จบปวดฉับแสบอันเข้าไปอยู่ได้เลยถ้าเราเข้าใจแล้วมันทําได้หมดเลยย้อนหน้าย้อนหลังเข้าใจได้ทําได้หมดแล้วก็กำหนดย้อนมาที่จิตดูผู้รู้ผู้รู้อยู่ที่จิตเลยตามลาไล่มันดูอยู่ที่เวทนาเลยอยู่ที่กายเลว ย, ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไป สับเปี่ยนกันไปโดยแม่งแช่อยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งมีเป็นการตามต้อนเพื <c> ่อ <oughs> ที่จะดูเจ้าเจ้าของมันเจ้าของมันก็คือตัวตันหานแหละตันหามันโผล่มาคอยรับรับกายว่าเป็นของมันรับเวทนาว่าเป็นของมันรับจิตว่าเป็นของมันเพอเราปล่อยมันรับเข้ามาได้แล้วอัดตาตัว ต, วตวนก็โผล่ขึ้นมาทันที เราเจ็บเราปวดขึ้นมาเรื่อมันลังทันทีดูตรงนี้ดูใหล้ละเอียดมันคอยจะสวมรอยแล้วมันเราหลงเคลื่อนไปกับมันง่ายๆตรงนี้อพยายามหนัดให้ถี่ยิบใช้สติใช้ความเจ็บตนาใช้ความจงใจให้จงหนักให้หนักเพื่อใรู้ให้เข้าถึงของมันพอเราทําถึงที่สุดแล้วมันมันจะเป็นของใครของมันจิตก็เป็น ความจริงของกิตเวทนาก็เป็นเวทนากายก็เป็นกายตัวที่พาไปยึดว่าเป็นเราเป็นเราก็คือตันหานเราเห็นมันโกลมาเราฟ้านเราเห็นมันโกลมาเราฟ้าบ์ไปถ้าเราเข้าวงในตรง น, นี้เราเร า, เราก็พอจะเห็นหน้าเห็นตานมันอยู่แเ ร, ราสี่ปัญญาศสาสตร์ใส่เข้าไปย้อนมาจิ้มเข้ามา มันก็สลายไปมัก็หายก็ามราระวังอยู่ตรงนี้ความถือเมื่อถือตัวจิตับดีขึ้นมีขึ้นเอาสนามตรงนี้เป็นเหมือนกับเขียงลับให้เกิดสติเกิดปัญญานี่เราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็สามารถต่อสู้กับทุกขเวทนาไดนะ้เรานั่งแต่ละครั้งแต่ละคราวในเมื่อเราได้วิธีการต่อสู้เราก็มีกิจกระใจ มีก็จิตใจที่จะนั่งอยู่ได้แล้วมันพิจารณาไปแล้วมันเห็นมันได้ได้ด้วยพิจารณาไปแล้วมันได้เลยได้เรื่องคืออะไรได้เรื่องก็คือได้เห็นไอ้ตัวศัตรูโผล่หน้ามาให้เราเห็นศัตรูคือตัวความอยากมันจะโผล่ขึ้นมามันคอยจะโผล่ขึ้นมามาเสนอหน้ามาเสนอหน้าเพืที่จะรับว่าเป็นเวทนาสัญญาว่าเป็นเวทนาของมัน เป็นอัตตาตัวตนของมันม่มีอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมามันมีตัณหาโผล่ขึ้นมาวยเหตุที่เราไม่ทันความอัตตาตัวตนมันก็โผล่ออกมาแต่ถ้าหากมันไม่โผล่ขึ้นมามันก็เป็นอนัตตาโดยหลักของมันจนเห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงให้มันโผล่ขึ้นมาอีกเป็นทุกขังเป็นอนิจจังหรือจะเป็นอนัตตาก็แล้วแต่ ให้มันมีให้มันเป็นเองไม่มีเองไม่เป็นเองเราก็ดูดไปคาดคาดเดาเอ า, า, าสัญญามาคาดมันเดาเดาไปหมายไปเพื่อความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นธรรมอยู่ไม่ใช่กิเลสนะเราหมายไปเพื่อเบือนายหมายไปเพื่อปราบตัณหาหมายไปเพื่อบืนเพื่อหน่ายเพื่อคลายเพื่อจางถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญา มันก็ยังเป็นธรรมอยู่หมายไปว่าอนิจจังมันก็เป็นธรรมอยู่หมายไปว่าทุกขังมันก็เป็นยังเป็นธรรมอยู่หมายไปว่าอนัตตานี่ไปดูในสัญญาสัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระอนุโมทตจําสัญญาสิบไปดูอ น, นิจจสัญญาอนัตตสัญญาทุกขสัญญา ราคะสัญญาสัปปะโลเกอนัพพิรตสัญญาสัญญาหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกวิเชียนพระพุทธเจ้าสอนให้เรียนสัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้เพราะสัญญาแต่ต้องเป็นสัญญาธรรมนะถ้าเป็นสัญญากิเลสกิเลสก็ดึงไปสัญญาธรรมก็คือเนี่ยเป็นไปเพื่อทำเป็นไปเพื่อทุก เป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ตัวตนเป็นไปเพื่อปล่อยเพื่อวางเป็นไปเพื่อเบืหน่ายคลายจาจเป็นสัญญาที่เราค่าเราเดาเกิดขึ้นมาเป็นกำลังกับตัวเราได้จากสัญญาแหละพิจารยย้อนไปย้อนมาย้อนมา ย, ย้อนไปย้อนมาย้อนมา ย, ย้อนไปกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้ทำให้ความรู้ตัวนี้กลายเป็นของจริงขึ้นมาได้กลายเป็นปัญญาหน้กลายเป็น ปัญญายาญได้กลายเป็นวิปัสนาญาญขึ้นมาได้พิจารณาตรงนี้เดินอยู่ตรงนี้เนี่ยตามดูอยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้เข้าหลักมหาสติปัฏฐานเตียรเร์ลยเข้าหลักมหาสติปัฏฐานร้ออร์เซ็แล้วก็เป็นการเอาหลักนี้แหละไปใช้ที่เขาเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาตอนที่ยังไม่เปลี่ยน ยังไม่มียานจำแจ้งเกิดขึ้นเราก็เดินหลังนี้หลังนี้เขาก็เดี๋ยวมีปริศนาหลักของที่เขาเดียวมีปรสศนามีปรสศนาในขณะที่เราทําไปสติของเราก็กล้าปัญญาของเราก็แข็งขึ้นไปเรื่อยสมาธิก็ตามต่อเนื่องขึ้นมากลมกลืนกันพร้อมที่จะทําทงานประสันประสานกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเมืยอย่อเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราไปหยุดพิจารณา เี๋ยพิยราคือบริก ร, รมพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธให้สบงบแล้วเ <_" S 1> พื่อเป็นการมากระมัดตุนมาเสริมกําลังให้กับทางด้านจิตใจของเราเวลาได้กาลังขึ้นมากนั่งเข้าไปเอาทุกขเข้าไปสนามามัดมันลองดูได้กําลังได้กําลังใจเร็วมากได้สติได้ปัญญาได้ความแปลกปลัปล่ในใจเร็วมากจะได้สิ่งดีๆม า, าพักภูมิใจกับตัวเองมาก นแต่หลายๆคนเ้่ากับตั้งใจทําเนี่ยวิชานี้เป็นวิชาที่ทําแล้วสามารถทําได้นั่งในมานนั่งได้ทั้งคืนนั่งได้ตลอดทั้งตลอดรุ่งหรือวิชานั่ได้ตลอดรุ่งวิชา น, ชานี้เอาวิชาอื่นมาทํายากเช่นอย่างเราพยายามเข้าชาแล้วได้ชาที่สี่จมมิตรหายเงี่ยบไปเลยเนี่ยมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่าย น อ, อยจากครูบาอาจารย์บางที่ท่านมีสมาธิมีฌานแก่กล้าพอมีเวทนาเกิดขึ้นพักท่น า, านก็หมดหลบอ่าไม่ต้องไปรับเวทนาแต่มันก็เป็นการหลบสัจจ์อีกเหมือนกันนะถ้าพูดถึงในแง่ของการพิจารณาเพื่อให้เข้าใจเรื่องหลักของกิเลสกับธรรมนะถือว่าเป็นการหลบเหมือนกันเป็นการหลบนะเป็นการหลบไม่ได้ต่อสู้กับข้าศึกเป็นการหลบข้าศึก เวทนาเกิดขึ้นอย่างเต็มแรงร้อนร้อนระอุแล้วหลบเข้าไปแล้วก็เลยไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยถ้าจะว่าไปแล้วเป็นการหลบหน้าที่เป็นการหนีหน้าที่ดูให้เข้าใจซะก่อนปล่อยทิ้งไปร่างการนี้เป็นอื่นไปไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตากตาตัวตวนของเราปล่อยเป็นอื่นไปต้องพิจารณาให้เห็นเ ห, ห็นปัจจัยตรงนี้อืม แต่ถ้ามีได้หลอกได้เป็นการพครารมันก็เป็นนิสัยของใครของเราไปเป็นบุญของใครของเราไปถ้าเรามีความสงบพร้อมถึงขนาดนั้นมันครูบาอาจารย์ยุบเรานี่แหละยุบลูกศิลป์ลูกผู้มันก็มีพะอเวลาทันเทศเวลาทันเทศไปแล้วถ้าก็เข้าความสงบเข้าอยู่กับความสงบ โดยที่ไม่ยอมรับรู้เวทนาทุกขเวทนาเนะี่ยไม่ออกมารับรู้ทุกเวทนาเป็นทุกเวทนานเมือ่อมาเอาไม่้จิตเข้ามารับรู้มันก็เป็นการนับไปโดยอัตโนมัติอยู่สบายไปนานเท่าไหร่ก็ได้แต่ทางที่ดีเราจะเป็นอย่างงั้นก็ยิ่งดีถ้าเราไม่เป็นเราก็เอาตัวนี้แหละมัดมือมุชกเลย เอาสติเอาสมาชันยะเอาปัญญามาดมุ่งกิเลสจบเลยเอาตรงนี้แหละเขาได้มากได้น้อยเท่าไรก็กําลังที่เรแเดนของเราทําไปจนได้ทําไปเรื่อยๆตามดูกายตามพิจารณากายตามพิจารณาเวทนาตามพิจารณาจิตนี่เป็นมหาสติปัฏฐานให้เข้าใจไว้เป็นหลักมหาสติปัฏฐานถ้าเราทําใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วเราจะพิจรารณายัางไงนี่ก็มีคนชอบถามอยู่เรื่อยมาทําใจสงบแล้วจะพิาพจรารณาจะพิจารณาอย่างไงการพิจรารณาการพิจารณามาตอนนี้ช่องนี้แหละเพราะช่องนี้เป็นช่องมารสิบฐานหาสิบด า, า, านคืออะไรก็คือพิจารณากายพิจรารณาวลกที่กายเราทั้งหมดเนี่ยจะเอาจิตม่อยู่ตรงไหนก็ได้เอากายเป็นฐานของสติ กำหนดระลึรรรกรู้ยศัพท์ว่ารู้รู้กายไล่ดูไปไล่เป็นธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟก็ไล่ไปพิจารณากายกร่์อาการสาสิบสองผมขนยับฟันหนังนก็ไล่ไปนี่ตามดูกายตามพิจารณากายเพราะเราเราหลงกายถ้าเราไม่พิจารณากายเราก็ยิ่งหลงเพเข้าไปอีกจากนั้นก็พิจารณ า, าเพราะว่าเป็นนามเกิดขึ้นเราก็ตามต้อตามพิจารณ า, าแบบเมื่อกี้เนี่ย ทูดไเลยตามพิจารณาเวทนาตามพิจารณาจิตเราดูกายแล้วก็ดูมาที่จิตเป็นเพื่อนสองดูเวทนาก็ดูมาที่จิตเป็นเพื่อนสองถ้าเราไม่สับไปที่กายที่เวทนาเราก็ดูกายแล้วก็ดูมาที่จิตดูเวทนาก็ดูมาที่จิตเราจะพิจารณาอะไรก็ตามอย่าลืมย้อนมาดูจิต การที่เราย้อนมานดูจิตที่ได้ประโยชน์เราสามารถเห็นขโมยมันโผล่ก็มาที่จิตขโมยตัวนี้ก็คือตัวความอยากมันอยากมันอยากอย่างนั้นมันอยากนี้มันจะแสดงขึ้นมาที่จิตตัวความอยากมันแสดงที่จิตตัวอยากนี้ไม่ได้แสดงที่กายที่เวทนานะมันแสดงขึ้นมาที่จิตกายเกิดความอยากเกิดที่จิตเวทนาเกิด ความอยากมันเกิดที่จิตเกิดที่จิตือจิตก็คือผู้รู้ผู้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นจิตผู้รู้เห็นผู้รู้คือผู้รู้ที่เต็มไปด้วยสติเต็มไปด้วยปัญญาเห็นผู้รู้ที่เป็นกิริยาอาการอาการของผู้รู้อ่าจิตเห็นจิตคือผู้รู้เห็นจิต จิตในญญทีนี้คือจิตจะเป็นกิริยาอาการกิริยาอาการก็เป็นขันธ์อย่างหนึ่งชนิดหนึ่งถ้าเราดูออกถ้าเราดูเข้าใจเขาก็เป็นกิริย า, าการของจิตชนิดหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสัญญาเกษตรเข้ามาตรงนี้แหละามันเป็นช่องออกมันเป็นช่องเดินเป็นช่องทางานของสัญญาเวสนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นช่องเดินของสัญญา สัญญาเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นช่องเดินเป็นช่องบอกของสัญญาของสัญญาสัญญาที่มันตกหล่ไปแล้วมันตกหล่ไปที่จิตเราไม่ต้องลืมตาเราก็ทำงานที่จิตแต่สัญญาที่นี่มันทํทำงานอยู่ภายในจิตก็พยายามด้ให้ออกให้สัญญาเหลือแต่สัญญาอย่าให้มีตัวตันหาเข้าไปสวมรอยกับตัวสัญญา เป็นของละเอียดถ้าเราก็ามาถึงตรงนี้ต้องรางชัยโส ร, ระพูิเราจะได้ความอรศจับใเป็นที่ประทับจิตประทับใจของเราจะได้กลืนเต็มปากเต็มคอเต็มท้องได้รับความสงบสนัดอยู่ในภายในรู้ที่ไปรู้ที่มารู้เหตุปัจจัยไล่กันอยู่นี่แหละเนี่ยสองวันนี้ ก็เป็นเหตุทำให้เราแก้ไขสามารถทำงานได้ยินเล่าฟังแล้วก็ตั้งใจทำตั้งใจทำตลอดถ้าเราเอาฉันทัามามากำกับที่หันใจของเรามันก็พอใจทาเสียดายเวลาที่เราเสียไปกับสิ่งนู้นเสียไปกับสิ่งนี้โอ้เสียดายเวลาเอาเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้มาเราทำอันนี้เราจะได้ผลมาก จะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเห็นอย่างอืง่มันก็เราเวลาไปทิ้งแต่ถ้าหากเราสามารถทําจนอยู่กับเนื้อกับตัวได้ตลอดเราไม่เสียเปรียบไม่เสียเปรียบเวลาเพราะ ง, งั้นเถอะเราได้เปรียบเวลาได้เปรียบทุกระยะทุกเวลาได้เปรียบกิเยสในใจของเราเนี่ยไม่ได้เปรียบใครและได้เปรียบกิเลสในใจของเราเ แล้วก็เป็นการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องพัฒนาไปอย่างรวดเร็วถ้าเราทําได้อย่างนี้พระเจ้าข้าประสงค์รับประกันแล้วมาสีประธานเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีลองทําหน้าอย่างนี้อย่างต่อเนื่องตรงได้มาได้อย่างหนึ่าได้อย่างหนึ่งมาได้อริยธรรมขั้นหนึ่งมาได้ขั้นหนึ่งมาได้ขั้นสูงขั้นมาขั้นร อ, องมาขัาา้นร อ, องมาถึงขัง้นพยายามอุตสาห์ที่จะได้ที่จะเป็น การทั้งใจทำงานมันมีจิตมีใจเอาความพอใจพอใจทำนี่คืองานของเราพอใจทำามื่อมีความพอใจความเพียรก็มีมีจิตกับใจที่จะทามีความสามมีความพยายามที่จะทำเพราะถ้าเราทำได้แล้วผลอั น, นสมเป็นของเราไม่ใช่ของใครขอให้ทุกคนต้องทั้งใจทำเอาจบแค่นี้ ีท่ทำดูทำได้ผลยังไงแบบดูสังเกตสังการให้ดีมีแต่จะถามอ่ะถามไปถามมาขายเยอะของน่ะ